เรื่องเล่าผีหลอนตอนป่ากล้วยท้ายหมู่บ้านเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เล่าต่อๆกันมาในหมู่บ้านของผมซึ่งว่ากันว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่ใครได้ไปสร้างบ้านคร่อมทับหรือว่าไปนั่งเล่นก็ตาม ก็มักจะมีเรื่องไม่ดีมีเคราะห์ตามมาก็ได้ฟังผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเล่ากันมาตอนเด็กๆผมก็กลัวไม่กล้าไปแถวนั้นยิ่งตอนตะวันตกดินด้วยแล้วก็ไม่คิดที่จะย่างกลายไปเฉียดแถวนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดในหมู่บ้านของผมซึ่งหลังหมู่บ้านจะมีต้นกล้วยเต็มไปหมดผมเรียกกันว่าป่ากล้วย จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในรั้วของหมู่บ้านแต่มันอยู่ข้างนอกคิดว่าเป็นพื้นที่ของชุมชนมุสลิมที่อยู่ติดกันแต่สามารถมองถึงกันได้บริเวณใกล้ๆปากกล้วยนี้จะมีสนามฟุตซอลของหมู่บ้านพวกผู้ชายก็จะพากันไปเตะกันในตอนเย็นแต่สิ่งที่ทุกคนรู้ดีก็คือถ้าเริ่มมองลูกบอลไม่เห็น ต้องรีบกลับทันทีถึงมีสปอตไลท์ก็ไม่เปิดเพราะทุกคนที่อยู่มานานจะรู้ดีบางคนก็ฟังมาบางคนก็เจอมาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟังพี่ๆเขาเล่ามาและประสบกับตัวเองด้วยครั้งเดียวเท่านั้นจากที่ฟังพี่ๆที่เตะบอลด้วยกันเล่ากันตอนเด็กๆผมก็คิดว่า พี่เขาคงแกล้งหลอกให้เรากลัวสนุกสนุกแต่สุดท้ายผมก็เจอครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณป .4 ป .5 นี่แหละครับช่วงนั้นกําลังสนติดเล่นกลับจากโรงเรียนก็จะปั่นจักรยานขู่ใจไปตามเพื่อนๆนมาเล่นกันที่สนามแล้วเผอิญวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่มาเตะปอนกันพวกเราเด็กๆก็เลยเล่นสนุกกันเต็มที่ เล่นกันตั้งแต่ห้าโมงจนใกล้จะหกโมงปกติจะเริ่มทยอยเข้าบ้านกันแล้วแต่ช่วงนั้นหน้าร้อนหกโมงฟ้ายังไม่มืดก็เล่นกันต่อซึ่งวันนั้นปิดท้ายด้วยการเล่นซ่อนแอบถึงแม้ใครจะเตือนก็ตามว่าอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนแต่วันนั้นก็ยังไม่มืดก็เลยพากันจัดสักหน่อยเล่นกันอยู่ห้าคน ตาแรกผมเป็นคนหาก็หาจนครบหมดเพราะที่ซ่อนมีไม่เยอะพอมาตาที่สองผมเป็นคนแอบบ้างก็ไปแอบใกล้ๆกาแพงที่ติดกับปากกลวยตรงนั้นมีพุ่มไม้เยอะหน่อยส่วนคนอื่นๆก็กระจายกันไปแล้วในที่สุดก็ถึงจุดเสียวสันหลังครับขณะที่ผมแอบอย่างเงียบที่สุด ผมก็ได้ยินเสียงคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาเบาๆจากที่ใกล้ๆว่ามาซ่อนตรงนี้สิหาไม่เจอหรอกผมก็รีบหันมอง360องศาเลยครับแต่ก็ไม่มีใครซ่อนแถวนั้นเลยผมคิดว่าหูฝาดก็เลยหลบอยู่ตรงนั้นต่อไปแล้วก็มีเสียงเหมือนคนเคาะกำแพงด้านหลังที่ผมซ่อนอยู่ก๊กก๊กก๊ก คราวนี้ลหละครับผมวิ่งร้องเฮ้ยแบบยาวๆวิ่งไปกลางสนามเรียกหาเพื่อนแล้วไอเพื่อนคนที่เป็นคนหาก็วิ่งมาโป้งผมมันไม่รู้หรอกว่าผมเจออะไรมาตอนนั้นเป็นเด็กก็อดไม่ได้ที่จะเล่าครับก็เล่าให้เพื่อนทุกคนฟังเพื่อนก็หาว่าผมอําไม่เชื่อกันคืนนั้นผมก็ไม่เชิงว่ากลัวหรอกครับ แต่มีความสงสัยว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนเย็นวันต่อมาเมื่อกลับจากโรงเรียนก็ชวนเพื่อนกลุ่มเดิมไปตรงที่ผมได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งก็พูดว่าหลังกำแพงเนี่ยมีแต่ป่ากล้วยใครจะเข้ามาแกล้งไม่เชื่อก็ปีนดูกันไหมล่ะเอาละสิครับทุกคนปีนขึ้นไปดูกันหมด ยกเว้นผมที่ไม่ขอขึ้นไปด้วยพวกมันก็ไปเอาเก้าอี้ข้างสนามมาต่อขาขึ้นไปดูกันเรียงหน้ากระดานไม่ทันไรเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องดังลั่นร้องแบบว่าฟังไม่ได้สับแล้วกระโดดลงมาจากเก้าอี้วิ่งร้องไห้กลับบ้านส่วนเพื่อนคนอื่นๆรวมทั้งผมก็วิ่งตามไปที่บ้านของมันแบบงงๆ ไปถามมันว่าเห็นอะไรมันก็บอกว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดสบายเฉียงยืนอยู่ที่ต้นกล้วยไกลๆแล้วชี้มาที่พวกผมแล้วพูดว่ามองหาพ่อเหรอทุกคนพร้อมใจกันขนลุกโดยไม่ได้นัดหมายตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็พยายามหลีกหนีที่จะไม่ไปเล่นแถวนั้น